จะเป็นพรในโยมเนาะพอได้เนาะโอเคต้องอศัยเสียงจะได้ไม่ต้องแบบพูดเสียงดังเกินไปเนาะแต่สมัยพระพุทธเจ้าเนาะก็นะ่าอัศาจรรย์นะเวลาท่านแสดงธรรม อย่างในอีกไม่กี่วันเนาะวันมาคาปูชานะวันเพ็ญเนินสามนะพระสงฆ์ไปเป็นพระอรหันต์หนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปเนะี่ยมาประชุมกันที่วัดเวรุวันนะพระพุทธเจ้าท่านแสดงทํำยังไงนะพั 1, นสองรอยห้าสิบรูปเนี่ยได้ยินทั่วถึงความพร้อมกันเนาะนะหรือแม้หรือแม้แต่บางที เวลาท่านแสดงธรรมมีมีญาติโยมมาฟังธรรมนะพขาบอกบางทีเป็นหลายเป็นเยอะมากนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโกรธคนเนี้ยก็ไม่รู้เท่าไหร่ <c oughs> ก็บาดูธรรมกันเยอะนะก็น่าจะเป็นความส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นความตั้งใจของผู้ฟังธรรมเนาะเมื่อตั้งใจฟังนะเงี่ยหูฟังนะ แม้คำพูดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ใช้ไม้นะแต่ก็ได้ยินทั่วถึงกันนะพระพุทธองค์เองก็คงมีพระสุดเสียงที่กลังวานนะก็คงทำให้การได้ยินทั่วถึงกันแต่จริงก็สิ่งสำคัญคือทั้งสองส่วนนะผูพ้พูดเองก็ดีผู้ฟังเองก็ดีนะที่มีความตั้งใจเนาะญาโยมเองก็ นะวันนี้ก็ให้ตั้งใจเนาะตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังเพื่อเราจะได้เอาไปปฏิบัติต่อนะนะการฟังธรรมก็คือฟังสิ่งที่เป็นความจริงนะแล้วก็ฟังสิ่งที่เป็นวิธีการนะสองส่วนที่อาตมาจะพูดนะความจริงนะคือที่เป็นสัจธรรมนะแล้วก็ วิธีการที่จะเข้าถึงสัจธรรมนะมันประกอบกันจะเรียกว่าเป็นเป็นเหตุนะแล้วก็เป็นผลนะถึงที่พระเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านสอนเรื่องเรื่องเหตุหรือวิธีการนะนะแล้วก็ทําตามเหตุนั้นแล้วก็จะเกิดผลนะเกิดมรรคเกิดผลนะตอนนี้แหละนะนั้นพุทธศาสนาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยไม่ใช่ ไม่ได้สอนแค่ความจริงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทาแบบไหนให้เข้าถึงความจริงอ่ะอตอนี้มันมีมีคุรูนะหรือว่ามีผู้รู้หลายคนที่ที่พูดสิ่งที่ดูเป็นความจริงเป็นสิ่งที่ดีงามมากแต่ก็ไม่รู้ว่าวิธีการที่จะเข้าถึงทั้งนั้นนะ่ะทำแบบไหนเนาะมันก็มันก็ยากนะมันอาจจะฟังดูดีนะ แต่วิธีการที่จะเข้าถึงตรงนั้นน่ะมันไม่รู้ว่าทำแบบไหนแต่สิ่งที่พระเจ้าท่านสอนเราส่วนพระสูตรที่สำคัญที่พวกเราได้สวดเมื่อสักครู่นี่แหละนะที่เรียกว่ามหาสติประฐานสูตรเป็นพระสูตรที่สำคัญนะแต่ที่จริงก็มีพระสูตรอื่นหรือมีวิธีการอื่นที่พระเจ้าท่านสอนเพื่อให้คนเข้าถึงความจริงเหมือนกันนะแต่ มหาสติปทานนสูตรเนี่ยก็เป็นสูตรที่หลายหลายสำนักนะครูบาอาจารย์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสอนเป็นวิธีการในการฝึกปฏิบัตินะเพื่อให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนะนะที่เราสวด น, นะนะมีสตินะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมนะคืออะไรกายเวทนาจิตธรรมก็คือเนี่ยในรูปในนามของเรานี่ยแหละ กายเวทนาจิตธรรมดูคืออะไรดูที่ปัจจุบันเนา ะ, นะแวเราเราดูกายก็มีหลายสำนักมากนะกายเคลื่อนไหวแบบลมพัดเทียนหรืออนาปาณสติก็ดูลมหายใจนะระึกรู้ถึงร่างกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกระดึกรู้นะหายใจหยาบหายใจละเอียดก็รู้ หรือจะรู้ท้องคองท้องยุคนะก็รู้ได้หรือบางคนก็ดูเวทนาของกายก็ได้ดูเวทนาคืออะไรดูเวทนาก็คือความสุขความทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์กลางๆเฉยๆหรือดูจิตก็คือดูอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตอาการกุศลบ้าง หากุศลบ้างน ะ, นะปกติบ้างไม่ปกติบ้างนี่คืออาการคนจิตเนาะหรือดูธรรมมารมณ์เองเนี่ยก็มีธรรมมาลมที่เป็นนามธรรมก็ดีหรือธรมรมารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นรู ป, ปรธรรมก็ดีนอันนี้แบบพูดแบบคร่าวๆเนาะก็คือดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรม ดูในที่นี้คืออะไรคือการพัฒนาสภาวะที่เรียกว่ามีสติบ่อยๆเนีะยเร า, เาใส่เช่นถ้าเราเอาศัยร่างกายขยับเพื่อให้เกิดสติบ่อยๆเนาะขยับไม่ใช่ขยับเพื่อเพื่ออะไรนะขยับเพื่อให้เกิดสติบ่อยๆทุกครั้งที่เราขยับทุกครั้งที่มันกระทบอะไร น, ะ, นะเช่นเราเดินนะมันกระทบนะเรารู้สึกตัว เวลาเราขยับตัวเรารู้สึกตัวต่อไปเวลากายเขาขยับของเขาเองนะเวลาเราทำกิจต่างๆมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวหรือร่างกายที่เขาเป็นของเขาเองเช่นบางทีเราไม่ได้ขยับนะแต่เรานอนหรือเรานั่งนะเราเห็นร่างกายเขาขยับหายใจเข้าหายใจออก ร่างกายเขาขยับท้องพองท้องยุบของเขาเองนะร่างกายเขาขยับกระพิษตาอ้าปากอนะไรน่ะขยื่นตัวนะี่คือแรกๆบางอย่างเราอาศัยการสร้างเจตนาหรือว่ามีความตั้งใจที่จะขยับนะให้เกิดความรู้สึกตัวต่อไปการขยับที่เป็นธรรมชาตินะการขยับที่เป็นการงาน เราก็จะรู้สึกตัวได้หรื อ, อต่อไปเวลาเราเผลอเวลามันมีจิตมันขยับก่อนแล้วมันก็สั่งตายขยับเช่นบางคนโกรธนะโกรธเนื้อมือจะตีเขาพอกายมันขยับปุ๊บรู้สึกตัวบางคนบางคนใจใคล้าย ใจมันไปข้างหน้าเช่นเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนอยู่ข้างหน้าอยู่ฝ้าถนนใจไปหาเพื่อนก่อนละกายเลยขยับจะเดินไปหาเพื่อนก็เลยเกิดความรู้สึกตัวนี่คือเวลาเราเวลาเราเนี่ยมาเปรียบเทียบไม่เห็นสามลักษณะเนาะเวลาอย่างหนึ่งคือเราตั้งใจขยับเพื่อสร้างสติอย่างหนึ่งพอมันขยับเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นกิจวัตรต่างๆ เราก็จะมีสติได้อีกอย่างหนึง่งเวลาจิตมันจิตมันไม่ปกตินั่นมันทําให้กายมันขยับอ่ะนะเช่นใจเรามันไปข้างหน้าแล้วก็สั่งให้กายเราเร่งหรือเวลาเราโกรดร่างกายมันมันมีความเกรง็งมีความร้อนเออนะ่ยนหรือเวลาเรากลัวร่างกายมันสั่นหรือว่ามันแน่นเราก็เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ก็คือเป็นการย้อนกรรมเห็นจิตใจเ อ, อเห็นกายมันไม่ปกตินะก็เลยย้อนกรรมเห็นว่าใจไม่ปกตินี่คือเวลาเราเห็นร่างกายบางทีมันก็เนื่องด้วยการที่ทำให้เรารู้ทันจิตใจของเราด้วยหรือเวลาเราฝึกไม่แต่เราฝึกขยับตัวเราก็ไม่ได้เห็นแต่ร่างกายเราขยับนะบางทีถ้าเราดูดีบางทีเราก็ ขยับด้วยความเกรงนะขยับด้วยความเพ่งไอ้นี่นะหรือบางทีเราก็ขยับแบบไม่ได้มีความรู้สึกตัวก็มีนะขยับเป็นเป็นท่าเฉยๆนะแต่ใจเราก็คิดฟุ้งซ่านไอ้นะ่อันนี้เราก็จะเห็นนะโดยเฉพาะถ้าเราสังเกตดูร่างกายเองก็บ่งบ่ถึงจิตใจนะเวลาเวลาเราปฏิบัตินะก็เราฝึกดู นะฝึกขยับตัวนะแล้วเราก็จะเห็นจิตใจของเรามันมันเป็นอย่างไรเนาะนะมันเพ่งไปก็ให้รู้ทันนะมันเผลอไปก็ให้รู้ทันนะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะให้มันมันผูกตลอดมันกลางตลอดมันรู้สึกตัวตลอดบางทีก็บงังพับไม่ได้นะสติเองนะก็เป็น เป็นอนัตตานะบังคับบัญชาไม่ได้เราฝึกเนะแม้แต่เราฝึกบางทีมันเพ่งเกินไปอ่ะพอเรารู้ทันมันก็จะปรับมันก็จะคลายความเพ่งมันเผลอไปคิดอ่ะพอเรารู้ทันมันก็จะกลับมารู้สึกตัวอย่างคำว่ากลับมารู้สึกตัวนะบางคนเขา้าเข้าใจว่าคือเราต้องพยายามกลับมา เราต้องแบบดึงมันกลับมาอันนั้นอันนั้นก็ได้แต่มันเป็นเหมือนการใช้ความตั้งใจนะมันเหมือนมีเจตนาอันนั้นก็มันก็ได้แต่มันก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะแต่ถ้ารู้สึกตัวจริงๆนะมันกลับมาของมันเองเนะี่ยมันเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้มีความจงใจไม่ได้มีเจตนา แต่มันเพราะรู้ทันแล้วมันก็มันก็วางการปรุงแต่งจิตก็กลับมารู้สึกตัวของเขาเองนั้นเจตนาเบื้องต้นนะทำเพื่อคล้ายๆให้จิตมันมีที่ตั้งเนาะเหมือนเป็นการฝึกนะเจตนาเบื้องต้นเนี่ยเป็นการฝึกซึ่งก็จำเป็นนะแต่เราฝึกไปเรื่อ ย, อยแล้วก็ค่อยๆให้ ลดความจงใจลดเจตนาลงฮะมันจะได้แบบผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ให้มันเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มันก็ให้มันรู้แบบสบายๆเมื่อจิตมันรู้แบบสบายๆแล้วคราวนี้เราจะเข้าใจคาว่าสติเองก็เลือกไม่ได้นะหมายถึงว่าเราจะจงใจให้สติมันเลือกรู้แต่ตายอย่างเดียวก็ไม่ได้ จงใจให้สติเขารู้แต่จิตอย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะเข้าใจว่าที่จริงพอมีสติมากขึ้นเน่ยไม่ได้มีสายไม่ได้มีรูปแบบตายตัวละมออไม่ใช่ว่ามีสายอานาปานาสติสายหลงพ่อเทียนสายดูจิตสายดูเวทนาอะไรเพราะว่าพอเอาเข้าจริงๆริงละสติเองมันก็รู้ของมันเองอะไรที่เขาเด่นเขาก็จะเห็นตรงนั้น หรือถ้าเขาเคยฝึกกับอะไรไบ่อยๆเขาก็อาจจะรู้ตัวนั้นได้บ่อยกว่าอย่างอื่นนะแต่แต่ไม่ใช่จะบังคับให้รู้แต่อย่างนั้นตลอดเวลานะเป็นไปไม่ได้อย่างเราอาจจะรู้กายเบื้องต้นก็จริงนะแต่พอเวลาสติเขาเกิดของเขาเองเป็นอัตโนมัตินะลมหายใจบางทีเขาเด่นเราก็รู้ท้องพองยุกเด่นเราก็รู้ จิตมันเผอไปคิดเด่นเราก็รู้สุขหรือทุกเกิดขึ้นในจิตนะเราก็รู้นะมันบังคับไม่ได้เลยบังคับไม่ได้เลยนะไม่แต่สายดูจิตก็ไม่ได้ดูแต่จิตนะก็เห็นกายเห็นเวทนาเหมือนกันสายดูลมก็ไม่ได้ดูเห็นแต่ลมหรอกนะอย่างอื่นเขาก็เห็นเหมือนกันเอาเข้าจจริงแล้วมันเหมือนเหมือนดำทานเหมือนแม่น้ำเส้นได้ไกิดลมสุดท้ายมันก็มัน ไหลรวมกันเป็นในแม่น้ำใหญ่เนาะรวมกันที่ไหนที่คำว่าเนี่ยแหละมหาสติมหาสตินะคือเป็นสติที่มีกำลังเป็นสติที่มีพลังนะเป็นสติที่มีมากนะในแต่ละวันเนี่ยมันก็เลยเกิดสตินะได้มากขึ้นนะได้บ่อยขึ้นนะจากแต่ก่อนที่ เคยมีสติในบางครั้งในตอนปฏิบัตินะแต่ตอนไม่ปฏิบัติไม่มีสตินะแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆสติมันก็รู้มันเหมือนคุ้มครองเะเหมือนแต่ก่อนเราสร้างสติแต่ต่อไปเหมือนสติมันคุ้มครองคุ้มครองตัวเราอะนะเกิดการดูแลนะเกิดเหมือนคล้ายเหมือนสติเป็นผู้ดูแล ดูแลกายดูแลใจนะให้มันให้มันอยู่ในความปลอดภัยนะไม่ใช่ไม่เผลอนะมีเผลอมีหลงบ้างแต่มันเหมือนทำให้เหมือนเป็นผู้ดูแลให้ให้ไม่อันตรายนะบางทีก็ทำให้เกิดความหลงบ้างบางทีก็มีความทุกข์บ้างแต่มันจะทำให้เรารู้รู้ตัวได้เร็วขึ้นนะหลงก็หลงสั้นลง ทกุก็ทุกน้อยลงนะการเข้าไปยึดการเข้าไปถือก็ก็เบาบางลงนะคือมีสติเป็นผู้ดูแลนะเหมือนเราคล้ายๆเหมือนเรามีเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราคอยเตือนคอยสอนคอยช่วยนะคอยช่วยเราบ่อยๆนะมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่หลงนะแต่มันมีตัวช่วย เตือนเวลาเราหลงนะหลงไปคิดบ้างหลงไปกับอารมณ์ต่างๆบ้างหลงไปเป็นทุกข์บ้างแต่พอพอเรามีสติมันจะรึกได้อืมนี่ไปแบกแล้วนะมันก็จะรู้ทันโอ้ ว, วางนะไปจมทุกข์แล้วนะเออพอรู้ตัวว่ามันทุกข์นะมันก็จะวางไม่ใช่การคิดนะแต่มันเหมือนเตือนฮนะ ไม่ใช่การพยายามไปคิดวิเคราะห์สาเหตุของความทุกข์ไม่ใช่ไปคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของความหลงแต่พอมันเห็นแล้วมันเหมือนมันเหมือนสะดุ้งเนาะมันเหมือนคล้ายๆมันเป็นอัตโนมัติของมันเหมือนเราเหมือนเราไปถูกของร้อนแล้วก็พอรู้ตัวมันร้อนหรือรู้ตัวว่ามันเจ็บนะมันหนามมันทิ่มแทงนะเราก็มันก็จะสะดัดคืนะ ที่พูะเจ้าท่าบอกว่ามันเหมือนเป็นการเหมือนเป็นการสลัดคืนนะเป็นการปล่อยเป็นการวางนะเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้เราเริ่มเห็นความทุกข์เนาะปฏิบัติไปเรื่อยๆนะมันคือการที่เราเห็นทุกข์ ถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆบางทีมันไม่ได้สุขไม่ได้สบายนะโยม ย, ยิ่งปฏิบัตินะยิ่งเห็นความหลงเยอะขึ้นหรือบางทีก็เห็นความทุกข์บ่อยขึ้นนะแต่มันเห็นมันเห็นทุกข์อ่ะแต่มันไม่ได้เข้าไปเป็นทุกข์นะหรือเห็นความหลงมันก็รู้ตัวได้เร็วขึ้นมันก็วางความหลงได้ได้บ่อยขึ้นได้เร็วขึ้น นั้นภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นทุกข์ในกายในใจเยอะขึ้นบ่อยขึ้นมากนะแทบจะตลอดเวลาได้ทำนะดัางกายเนี่ยมันเราพูดว่ามันสบายเนะ่ยมันก็แค่สบายแบบสบายแบบพออยู่ได้นะแต่จริงมันเป็นทุกข์นะแค่พูดนี้ก็เหนื่อยละก็เป็นทุกข์ หายใจเข้าหายใจออกนี่ยก็ก็เหนื่อยละนะมันก็เป็นทุกข์นะยืนเดินนั่งนอนนะ่ะก็คือก็ก็เป็นทุกข์ก็แก้ทุกข์นะจิตใจเองนะคําว่าเป็นทุกข์คือมันไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาวะเดิมได้ตลอดเวลานะมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะเราไม่สามารถที่จะให้มันอยู่คงที่ได้นะออมันเกิดดับนะทุกข์ มันเห็นทุกคือการเกิดดับนะของอาการของจิตนะเห็นการเกิดดับของความคิดเห็นการบังคับไม่ได้ของความคิดของอารมณ์ต่างๆนี่แหละนะมันดูแรกๆมันก็มันก็จะขัดใจเนาะเพราะว่าบางทีเราเองก็อยากจะให้มันสุขนานๆ น, นะอยากให้มันทุกข์น้อย <c oughs> แต่จริงมันบังคับไม่ได้เนะาะบังคับไม่ได้นะเราเห็นวนะันน่ะเห็นบ่อยๆจนแต่ก่อนมันคล้ายๆเราชอบเป็นนักไปจัดการจัดการอารมณ์จัดการความคิดจัดการจิตใจให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะแต่ภาวนาไปจริงๆนะเราไม่เห็นไอ้ตัวยุ่งจริงๆคือตัวชอบไปจัดการนี่แหละ อันนี้ไม่ไม่รวมไปว่าไปจัด ก, การข้างนอกถ้ามันจำเป็นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ไอความเป็นตัวชอบจัด ก, การให้จิตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้แหละคือตัวยุ่งที่สุดเลยนะถ้าเราไม่เห็นว่าไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวยุ่งมันเป็นตัวสร้าง อ, อ่สร้างภพสร้างชาติก็ได้นะที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ท่านสอนไหมว่าในบทหนึ่งนะในบท ปฐมมพาสิตนะบอกนายช่างผู้ปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเนี่ยอาจมาว่าตัวนี้นะคือตัวตัวนายช่างนะตัววิศวกรตัวโฟแมนผู้คุมงานนะสร้างสร้างเรือนคืออะไรสร้างพบสร้างชาตินะคอยไปจัดให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าภาวนาจริงๆแบบแบบวิปัสสน า, าจริงนะ ไม่จัดการอะไรเลยแค่รู้มันเฉยๆคือจิตไม่ดีก็รู้มันว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปจัดการให้มันหายเช่นจิตมันเศร้าเราไม่ได้ไปจัดการความเศร้าจิตมันแม้แต่เวลามันโกรธก็ไม่ได้ไปจัดการให้มันหายโกรธนะคือไม่ใช่ไปทำให้มันไอ้ที่มันไม่ดีแล้วให้มันดี ไม่จะไปทําอะไรที่มันไม่ปกติทําให้มันปกติถ้าแบบภาวนาแบบวิปัสนาจริงๆนะไม่ได้ไปยุ่งเลยแค่รู้เขาเฉยๆแล้วพอเรารู้เฉยๆนี่แะคือมันเหมือนเหมือนคล้ายๆเราไม่ได้ไปยุ่งนะ่ะแล้วเขาจะแสดงสภาวะเองว่าเหมือนพอเราไม่สนใจเราแค่รู้เฉยๆนะ่ะเขาก็จะดับไปของเขาเองความเศร้า จะเกิดจากอะไรก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์มันแต่พอเห็นเขาพบรู้ว่าแตนน่ในสมมติรู้ว่าจิตมันเศร้ารู้เฉยเฉยมันก็จะคลายของเขาเองมันก็จะคลายของเขาเองจิตเวลาเขาหงุดหงิดเขาโกรธก็รู้อืมก็ไม่ต้องไปทำอะไรแค่รู้เฉยเฉยนะความหงุดหงิดความโกรธก็จะค่อยคลายตัวของเขาเองนะความสุขก็เหมือนกันนะก็รู้เฉยเฉยเหมือนกันนะพอมันหายไป พอเราเห็นมันเฉยๆเนะี่ยมันก็จะไมไ่มีความรู้สึกว่าเราต้องประคองความสงบเราต้องประคองความสุขหรือพอมันหายไปเราก็จะเสียดายเนาะพอเวลาเราไปทำอะไรอะ่ะสิ่งที่มันอย่างที่มาพูดอาจจะใช้คาว่าจัดการเนาะคือแต่ลึกๆแล้วมันคือมีความคาดหวังไงเรามีความคาดหวัง เรามีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เช่น Champion. มันไม่ดีเราก็มีความอยากให้มันดีนะมันไม่สงบเราก็มีความอยากให้มันสงบมันสงบอยู่แล้วเราก็มีความประคองอยากให้มันสงบเรื่อยๆสงบนานๆมันสุขถ้าเราไปยุ่งไปจัาการาดเราก็คือเราอยากให้มันสุขนานๆนะไม่เปลี่ยนนะ ไอตัวหลักจริงๆคือที่ว่าทำไมเราต้องไปจัดการไปยุ่งไปนั่นไปนี่เพราะเรามีความอยากเพราะเรามีความคาดหวังในในสภาวะธรรมต่างๆเนาะแต่ถ้าฝึกสติจริงๆนะแค่ดูแค่ดูดนะแต่มันยากตรงนี้แหละเพราะว่าจะดิด หรือว่าความเคยชินมันชอบเข้าไปยุ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวว่ามันมีความอยากมีตัณหาเป็นเบื้องหลังของการเข้าไปยุ่งในสิ่งต่างๆหน้าที่เราก็คือรู้ทันมันอีกทีหนึ่งนะเวลามันอยากจะไปยุ่งให้เห็นมันให้รู้ทันมันนะเวลามันเกิดความไม่พอใจในสภาวะหรือเกิดความพอใจในสภาวะให้เรารู้ทันมัน พอเรารู้ทันมันได้บ่อยขึ้นนะแรกๆอาจจะไม่รู้ทันมันทันทีนะแต่เราฝึกรู้ทันมันบ่อยขึ้นนะบ่อยขึ้นไปเรื่อยเนี่ยเออเราจะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ฝึกรู้เขาบ่อยๆแค่นั้นเองนะเขาก็จะอืมสงบระ ง, งับของเขาเองนะการปรุงแต่งมันก็จะลดลงของเขาเองไ อ, อตัวเนี้แหละคือพอภาวะ พอภาวนาไปเรื่อยๆเนาะข้างในเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่เหมือนไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรนะอืมมันมันก็จะขี้คายของเขาเองมันเห็นการเกิดดับของสภาวะในข้างในของเขาเองแม้แต่การรู้กายเองมันก็มันก็แค่ทําไปเฉยๆนะเช่นเวลาเดินน่ะพระเจ้าท่านบอกนะ เดินก็แค่รู้ตัวว่าเดินเดินหน้าก็รู้ถอยหลังก็รู้นะมีความรู้สึกตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับท่าเลยเลยนะเดินท่าไหนก็รู้สึกตัวได้เดินเร็วเดี๋ยเดินช้าก็รู้สึกตัวได้นะคือเดินก็แค่รู้รู้สึกถึงร่างกายที่เขาเดินนอนก็รู้สึกถึงร่างกายที่เขานอนนั่งก็อี้นั่งกับพื้นก็รู้สึกถึงร่างกายที่นั่งเช่นเองนะ ถ้าไหนก็ได้นะแต่สิ่งเดียวว่ามันรู้เป็นปัจจุบันเนาะรู้เป็นปัจจุบันรู้ที่มันเป็นจริงในตอนนี้นะมันก็เปลี่ยนไปของมันเองนั้นปฏิบัติธรรมเวลาเรายกมือเนี่ยที่จริงก็ที่จริงที่มันเป็นอุบายเฉยๆเพื่ อ, เ พ, อเพื่อฝึกเบื้องต้นอย่างที่ว่าแต่พอฝึกไปฝึกมาแล้วมันมันทําแบบไหนมันก็รู้สึกตัวได้เหมือนกันแหละนะอืม แต่บางคนก็อาจจะใช้เพื่อแก้อารมบ้างเวลามันง่วงนอนเวลามันฟุ้งซ่านก็อาจจะมีอุบายบางอย่างเพื่อเพื่อสร้างสติให้มันมีมากขึ้นนะเพื่ อ, อ จ, จะได้ไม่ไปจมกับอารมณ์หรือว่าไม่ไปฟุ้งกับความคิดมากก็แค่นั้นเองแต่จริงพอเรารู้สึกตัวจริงๆเนอ่าบางทีมันก็เป็นแบบไหนก็ได้นะเราก็รู้อย่างที่มันเป็น กายเคลื่อนไหวก็รู้ใจเคลื่อนไหวก็รู้นะกายเป็นทุกข์นะก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้นะรู้อย่างที่มันเป็นเลยนะแล้วคราวนี้เราจะเห็นว่าตายมันเป็นทุกข์นะใจเป็นทุกข์ไม่ถึงแต่ตัวรู้อ่ะไม่ได้เป็นทุกข์คือตัวรู้อ่ะมันเหมือนรู้อยู่ข้าง นะกายมันเป็นทุกขนะ์ปวดเมื่อยไม่สบายสุดท้ายก็จะตายเนาะนะทุกคนมันก็จะเห็นนะสตนะิก็จะดูอยู่ข้างๆตัวนั่นแหละนะมันมีทุกข์นะแต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์เพราะเราไม่ไปยึดว่าตายเป็นเราเห็นว่ากายเป็นทุกขนะ์จิตที่มีสติดูอยู่ข้างๆ ไม่ได้แปลว่าต้องทําให้กายมันหายทุกนะกายก็ยังเป็นทุกแต่สติอยู่ ข, ข้างกายที่เป็นทุกรวมทั้งตัวจิตเองเราก็ไม่ ไ, ไปบังคับว่าจิตจะต้องจะต้องไม่เป็นทุกนะจิตจะต้องนิ่งเฉยบางทีจิตมันก็ผลไม่ไหวเนาะก็อยากไปมองอยากไปคิดออยากไปอะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของมัน บาที่จิตมันก็ถูกบีบคั้นนะด้วยความอยากอะไรก็เลื่อมมันมันจะเห็นว่าจิตที่มันเป็นทุกข์มันตัวหนึ่งแต่จิตที่มันมีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้มันเผลอไปเนี่ยมันอีกตัวหนึ่งจิตเมื่อกี้ที่มันดิ้นรนเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่จิตที่รู้เท่าทันมันไม่เป็นทุกข์นั้นเราก็ไม่ใช่แปลว่าเราจะทําจิตให้มันไม่ทุกข์นะ แต่เราจะเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์มันจะแยกได้แล้วตัวทุกข์มันตัวหนึ่งแต่ตัวที่รู้เนี่ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งนะเมื่อวานดูหนังสือเล่มหนึ่งเน่ยแบบเปิดผ่านๆแล้วเห็นคํานึ่งพอดีเขาเขาบอกว่าในราชบัณฑิตที่เป็นพุทนานุกรมราชบัณฑิตนะเขาบอกว่า เขาแยกคําว่าจิตกับใจะก็บอกมาก็เคยเท่ก่อนนั่นแหละก็พอดีเอ้ามันตรงกันเลยนะเขบอกว่าจิตคือสิ่งคือสิ่งที่ที่คิดนึกปรุงแต่งจิตเนี่ยคือสิ่งที่คิดนึกปรุงแต่งแต่ใจเนี่ยคือสิ่งที่รู้อถ้าจะพูดไปจริงจงนะคือ สภาวะจิตเนะี่ยคือสภาวะที่มันต้องปรุงแต่งนะมาเป็นอาการนะที่มาแสดงแต่สภาวะใจเนะี่ยคือสภาวะแค่รู้นะถ้าจะว่าเป็นจริงคือตัวจิตเนะี่ยคือตัวสมมุติที่มันเปลี่ยนแสดงไปเรื่อยแต่ตัวใจเนะี่ยคือตัวปกติตัวที่รู้เฉยเฉยมันไม่ได้เป็นสุเป็นทุกข์ไปด้วยเนาะแต่ถ้าเราเห็นแบบ น, นี้ได้นะตัวจิตกับตัวใจเนะี่ย คนอ่านกันตัวอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตนะเปลี่ยนไปเรื่อยของมันเนี่ยแต่ตัวใจที่รู้เนี่ยมันเป็นคนละส่วนกันพอเห็นตรงนี้ได้นะมันก็มันก็อยู่กับโลกได้นะเหมือนคล้ายๆจิตมันจะแสดงหน้าที่อะไรก็แสดงของมันเนาะอยู่กับโลกมันต้องมีอยู่แล้วโยมมันต้องมีสัญญาจาได้คนนี้ชื่อว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไร ความหมายมันคืออะไรมันต้องมีการปรุงแต่งเป็นคำพูดเป็นความคิดนะในชีวิตประจำวันก็ดีในการงานก็ดีมันต้องมีการรู้นะระลึกได้ในสิ่ ง, งต่างๆเป็นธรรมดาแต่พอเรามีใจที่รู้คอยกำกับเป็นผู้ดูแลนะนะมันก็ทำให้สภาวะตรงนั้นนะไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนจิตใจให้เป็นทุกข์ มันก็เปลี่ยนเพียงแค่อาการที่เขาแสดงนี่คือตัวตัววิปัสนาเนาะวิปัสนาจะทำให้เราเข้าใจแยกแยะการทำงานของขันต่างๆก็เป็นหน้าที่ของขันนะเราไม่ได้ไปทำลายขันห้าขันห้ามีอยู่นะแต่พอเรามี สติเป็นผู้ดูเนะี่ยสิ่งที่ไม่หลงนะสิ่งที่เปลี่ยนจริงๆคือไม่หลงยึดว่าขันเป็นเราแค่นั้นเองนะไม่ไม่หลงยึดว่าตายเป็นเราไม่หลงยึดในนามธรรมต่างๆว่าเป็นเรานะถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่หลงยึดว่าเนี่ยตัวตนนี่คือของเราไม่หลงยึดว่าความคิดคือเราคิดความรู้สึกคือเรารู้สึก ใช่นะแต่มันเห็นว่าเป็นความคิดนะจิตมันคิดเห็นว่าจิตมันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ได้ยึดว่าเป็นเราเราเป็นนั่นเราเป็นนี่นะแต่มันมีสภาวะที่เห็นนะพอเห็นนะมัน ก, ก, ก็ก็สบายอันนี้แหละคือวิธีปฏิบัตินะก็คือแรกๆเราหมั่นสร้างสตินะแล้วรู้กับการเคลื่อนไหวของกาย แ ล, แล้วก็รู้ทันการเคลื่อนไหวของจิตบ่อยๆเนี่ยสติมันเกิดขึ้นบ่อยๆต่อไปสติมันเกิดขึ้นมากนะเกิดขึ้นเองนะเป็นมหาสตินะเป็นสติที่เป็นธรรมชาตินะไม่ได้จงใจไม่ได้ตั้งใจแต่สติมันเกิดขึ้นของเขาเองเกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูผู้ดูไม่ใช่เกิดตลอดเวลานะ แต่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะบางครั้งผู้ดูก็เกิดบ่อยบางครั้งก็เกิดนานนะบางวันก็อาจจะไม่มาอีกนะก็มีนะแม้ปฏิบัติทํานานเป็นหลายปีบางวันเหมือนคนทําให้เป็นก็มีนะแต่แต่ถ้าเราคล้ายๆเหมือนยอมรับอ่ะอืมมันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองอยู่กับมันะยอมรับอยู่กับมันเหมือนยอมฮะยอมอืม ทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทำํำดูมันเฉยๆแบบเนีน้มันจะเป็นในรเรื่องของมันนะเออมันก็จะค่อยๆฟื้นเองฮนะมันมันมีสิ่ ง, ส, งสิ่งที่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่คําว่ายอมนะยอมจริงๆนะเหมือนคือถ้าทําอะไรไม่ได้เนะี่ยบางทีถ้าเราไม่ยอมอนะ่ะมันจะทุกมากเมื่อวันก่อนสองวันที่แล้วก็มีโยมคนหนึ่งเขา เขาไม่สบายมากไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะเขาได้โทรได้มือถืออาตมามาจากไหนไม่รู้นะแต่เขาเคยโทรมาปรึกษาเรื่องการปฏิบัติมาหลายครั้งเอย่านะสามสี่ครั้งอาตมาก็รู้สึกเขาปฏิบัติดีนะอืมนะปฏิบัติดีนะแล้วก็ก็พรเวลาเขาเล่าสภาวะการปฏิบัติเราเออเรารู้สึกว่าเขาเขาก้าวหน้าเขาเข้าใจพอสมควรนะ แต่เขาก็เป็นโรคที่เหมือนภูมิภูมิกันทำร้ายตัวเองมาเนาะแล้วก็เอไม่เคยเจอกันหรอกนะแต่เขาก็บอกช่วงที่ผ่านมานี่แบบร่างกายมันทรมานมากทรมานมากทาากํท า, าทอะไรไม่ได้เลยนะเอะเกือบจะตายไปลนะแต่เขาก็เห็นว่าจิตอ่ะมันยังแบบมันยังห่วงอะห่วงร่างกายว่าจะทําไงให้มันดีขึ้นจะทําไงให้มันทุกน้อยลงเนาะ อืแล้วมันเหนื่อยมากมันทุกมากนะมันทําอะไรไม่ได้ยาก็ยาก็ช่วยไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ะมันเป็นทุก์นะจะทําไงดีนะถามอาจารย์มามาบอกถ้าทําอะไรไม่ได้นะยอมเลยยอมเลยไม่ต้องทํานะเพราะถ้ายัางห่วงจะทําอยู่อ่ะมันจะยิ่งทุกข์ถ้าทําอะไรไม่ได้แล้วยอมทิ้งนะ เหมือนบางทีครูบาอาจารย์บางรูปท่านบอกว่านิพพานนะมันอยู่ฟากฟากตาย <c ười> คือยอมตาย <y ork> ยอมที่จะไม่เอาอะไรแล้วนะเออพอเราวางมันจริงๆเนาะแล้วแต่ว่ามันจะเป็นแล้วแต่ว่ามันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันกายจะไม่ดีกายจะตายก็ยอมมันจิต จะเป็นอย่างไรนะที่จริงนะพอถึงท้ายเนยีมันจะเป็นไงก็ปล่อยให้มันเป็นนะอันนี้คือถ้ายอมจริงๆงนะมันก็จบง่ายจริงๆรนะแต่ถ้าเรายังยังอยากจัดการยังอยากนั่นอยากนี่ก็มาเยอะมันก็จะยากเหมือนนักปฏิบัติทำสิ่งที่ที่จะยากนะบางทีเราก็จะมีความกงนนะักงลวลเนาะกังวลว่ากลัวจะตายไม่ดี กลัวจะตายแบบไม่มีสติกลัวจะหลงอะไรมาเนะี่ะแต่เอาเข้าจริงๆถ้ามาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายตอนที่เราจะตายจริงๆเนะ่ะเราจะทําอะไรได้หรือเปล่าแต่มาว่ามันเป็นเรื่องของการฝึกนะฝึกฝึกจนถึงจุดนั้นนะ่ะจิตมันเป็นของมันเองแล้วก็เราเอีกล็คงทําอะไรไม่ได้มากหรอก ปล่อยให้เป็นเรื่องที่จิตเขาเขาทำหน้าที่ของเขาเองถ้าเรามองไปจริงจริงนะการตายเองก็ดีมันก็เป็นแค่แค่การเดินทางอย่างหนึ่งของของชีวิตเราอะคือถ้าเรามองมองการมีชีวิตไม่ใช่สั้นๆเพียงแค่สมมติเจ็ดสิบแปดสิบปีเนาะชีวิตเนี้ยมันมันสืบเนื่องมาไม่รู้กี่ กี่หมื่นกี่แสนชาติแล้วอะอันนี้เป็นแค่หนึ่งในสมมติไม่รู้สมมติหนึ่งในแสนเนาะเป็นแค่ช่วงหนึ่งในแสนหรือสภาวะการตายหนึ่งขณะเนี่ยก็แค่เซี่ยวนึงของของในชีวิตนี้แล้วก็เซี่ยวนึงในการดำรงชีวิตนี้นะในวัฏสงสารนี้นะมันเป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ พบใหม่ชาติใหม่ก็แค่นั้นเองเป็นเหมือนเที่ยวประสบการณ์หนึ่งของชีวิตเราไม่ต่างจากการที่เรา อ, อกหักไม่ต่างจากการที่เรามีความสุขอะไรก็เป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งซึ่งจะว่ามันใหญ่โตเพราะว่าเราให้ค่ามันแต่จริงสิ่งที่เราฝึกหัดมาทั้งชีวิตนี่แหละสุดท้ายการตายก็เป็นเพียงแค่แค่การเปลี่ยนผ่านอะไรสักอย่างหนึงเฉย แต่จริงชีวิตเราก็ยังต้องไปต่อสมมุติถ้ายัางไม่จบเหตุเนาะถ้าเปรียบเทียบเหมือนคล้ายๆเหมือนคนเอ็นทานนะโยมโยมเอ็นไม่ติดจุลาสมมติโยมไปเรียนที่ไหนตั้งแห่งหนึง่งโยมก็ต้องเรียนเหมือนเดิจะเรียนจุลาจะเรียนที่ไหนก็ต้องเรียนสมมติถ้าโยมจะเรียนเนาะอืมมันก็เป็นเพียงแค่ประตูทางผ่านไปสู่อะไรสักอย่างหนึง่งแต่จริงมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเรา ชีวิตเราเองกอ็ยางต้องปฏิบัติแต่ถ้านักปฏิบัติที่ที่ฝึกบ่อยๆเนะ่ตั้งใจเลยว่าชาตินี้ก็ทำให้มันดีที่สุดเนาะแต่พอถึงมันจะตายมันก็แค่เป็นเป็นสภาวะหนึ่งของชีวิตถ้าเราวางใจแบบนี้ได้นะความกังวลความกลัวว่าจะตายดีหรือเปล่ามันจะวางได้เยอะเลย ถ้าถึงจนนั้นทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องทำปล่อยไ่เลยแล้วเหตุปัจจัยที่เราทำมาทั้งชีวิตเนี่ยแหละมันก็ทำให้เราไปสร้างเหตุปัจจัยต่อถ้ามันยังไม่หมดเหตุเนาะแต่ถ้าบางคนเขาจบกิจแล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วมันก็ไปเฉยเฉยนะหรือบางคนเขาก็รู้ว่าเออเาก็ทำมาเยอะแล้ว ม, มันวางใจได้ละนะมันไม่จบในชาตินี้เดี๋ยวก็ไปทาต่อ อีกนิดนึงนะก็คงจบต่อได้มันเป็นเพียงแค่เหมือนช่วงเวลาหนึ่งของของชีวิตนั้ น, น, นสิ่งที่เราจะเตรียมตัวได้ดีที่สุดก็คือเตรียมในการทำในทุกวันนะทุกขณะนะให้ดีที่สุดนี่แหละนะดยการที่เราพยายามที่จะมีสติบ่อยๆตรงนี้แหละคือการสร้างเหตุที่ที่ดีที่สุดแล้วเนาะ แล้วผลเองมันก็เกิดอยู่ทุกขณะอยู่แล้วทุกครั้งที่เรามีสติตอนนั้นจิตก็มีผู้รู้เป็นปกติแล้วแค่นั้นเองถึกแบบนี้บ่อยๆจนทั้งผู้รู้เขาเกิดของเขาเองจิตที่เป็นปกติเขาก็ดำรองอยู่ของเขาเองนี่คือมันจะเกิดสภาวะพวกนี้ได้บ่อยมากขึ้นเนาะ เราก็อยู่กับโลกได้แบบไม่เป็นไร <c ười> คือโลกจะวุ่นวายขนาดไหนนะก็ เ, เรื่องของโลกนะแต่ใจนะที่มันเป็นปกติใจที่รู้อยู่เนี่ยมันคือที่พึ่งจริงๆของโลกนะของโลกภายในของเรานะแต่โลกข้างนอกเนี่ยก็เล่นละครไป <c ười> อยู่กับสมมติไปนะเดี๋ยวก็เวียนว่ายเกิดจก แ ย, แยกจากกันไปนะตามเหตุตามปัจจัยได้มาเสียไปนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยเราก็อยู่กับโลกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนะาะจนทั้งเราจบเหตุจบเหตุคืออะไรคือไม่มีความอยากแต่การจะไม่มีความอยากคือรู้ทันความอยากบ่อยๆนั่นแหละทาให้เราเห็นว่าตัวอยากนี่แหละ มันมาสร้างพบสร้างชาต์นะกับจิตยอย่างไดเนาะเพราะเมื่อมันหมดเหตุของความอยากนะมันก็หมดเหตุของการเกิด น, นี่แหละคือการปฏิบัติเนาะซึ่งามาว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ครบถ้วนเนาะทั้งเหตุแล้วก็ผลนะทั้งวิธีปฏิบัตินะแล้วก็ผลของการปฏิบัติก็อยู่ตรงนั้นเนาะ ยิ่งเราปฏิบัติมากๆเนี่ยความดังเลสงสัยเนี่ยจะไม่มีเลยนะมันเกิดความมั่นใจเกิดความแน่ใจนะเหลือแต่เพียงว่าปฏิบัติไปเรื่อยแค่นั่นเองนะไม่มีอะไรมากนะนก็ฝากไวน้นะวิไงไงในปฏิบัติเองแล้วเข้าที่เข้าทางเลย <c oughs> คนที่เคยปฏิบัติมาก่อนก็ดีนะหรือว่าคนที่นี้อาจจะพึ่งมาก็ดีนะเหมือนเนี่ย <c oughs> เราได้มาปฏิบัติต่อเนื่องเนาะเป็นชั่วโมงนะหรือว่าเป็นวันเนียนะมันเหมือนเหมือนเราจะเรียว่ามันดูมัด ใช้เขว่ า, าเหมือนเข้าที่เข้าทางนะมันเหมือนกลับมาคล้ายๆมันคล้ายๆเหมือนอาจจะบางครั้งแล้วก็อาจจะลืมปฏิบัติมานานนะเวลาเราทํางานเนะี่ยหรือว่าเราใช้ชีวิตปกติเนาะมันก็อาจจะเออเพราะฉะนั้นเราก็รู้เอาในชีวิตประจําวันเนาะแต่พอมาทําในรูปแบบ น, นะมายกมือ เดินจงกรมนะี่ะมันก็เหมือนมาจับจังหวะประมาณไหนพอดีประมาณไหนพอดนะีประมาณไหนมากไปประมาณไหนน้อยไปเนาะบางทีมันมาเป็นเรื่องของของจังหวะเป็นเรื่องของความพอดีเนะถ้าเปรียบเหมือนนักดนตรีนะอ่ะคอยจะรู้แบบนี้แต่แบบนี้ย่อนไป แบบนี้ตึงไปแบบนี้หนักไปแบบนี้เบาไปอันแบบนี้อันแบบนี้พอดีนะหรือแม้แต่จังหวะ ก, การพูดนะบางทีพูดเร็วไปก็เหนื่อยพูดช้าไปก็เหนื่อยพูดแบบไหนพอดีนะเหมือแนบบนักร้องนะร้องเพลงคือมันเป็นจังหวะเท่านั้นนะชีวิตเราในการปฏิบัติธรรมมาว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะความพอดีนะ ความพอดีความเป็นกลางนะความรู้เฉยๆเนะีนะ่ยแบบไหนมันคือเนี่ยคือความเป็นกลางแต่บางทีมันก็ไม่พอดีเอออัอนนี้ยมันมากไปตั้งใจมากไปนะจงใจเกินไปคนะาดหวังมากไปบางทีก็อ อ, อนนี้คือไม่พอดีละ เ, เครียดะ่ะจริงจังเกินไปละ เราก็จะเห็นน่ะเห็นกน็เห็นมันแบบบางทีก็ไม่ต้องทำอะไรนะแค่ยิ้ ม, มเห็นละเห็นละก็มันก็เจือมันก็จะค่อยค่อยผ่อนตรงนั้นลงมาบางทีก็เห็นความหลงนะ่ะเห็นความบางทีก็น้อยไปนะ่ะน้อยไปบางทีในชีวิตจะมาฟุ้งมาเยอะพอมาปฏิบัติมันก็ยังเอาเรื่องฟุ้งมาอยู่เยอะๆนะ่ะแต่งว่า ตัวเจตนาตัวกำหนดมันอาจจะน้อยไปก็อาจจะต้องออื่ใส่ใจมากขึ้นนะหรือบางทีก็อาจจะเหมือนใคล้ายๆทุกครั้งที่เริ่มก็อาจจะไม่ต้องรีบยกนะอืมรู้สึกตัวให้มันชัดสักหน่อยแล้วค่อยแล้วค่อยยกี๋ยวตอนเดินก็เหมือนกันไม่ต้องรีบแบบเดินให้มันได้เยอะๆนะบางทีก็หยุดยืนให้มันรู้สึกตัวขยับตัวให้มันรู้สึกตัวก่อน ค่อยเดินใหมนะ่ค่อยเดินต่อก็ได้นะมันเหมือนคล้ายๆตั้งหลักให้มันดีๆก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยเดินนะแล้วค่อยยกมือเลยนะอันนี้ถ้าคนที่ย่อนไปเนาะบางทีฟุ้งซ่านเยอะหรือว่าทําเป็นแต่รูปแบบเป็นท่านะแต่ใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวบางทีก็ต้องเออตั้งใจสักหน่อย ใ น, นเรื่องความพอดีเนาะเรื่องความพอดีซึ่งไม่ได้พอดีตลอดเวลานะแต่ให้รู้ทันความไม่พอดีนั่นแหละมันจะทําให้ตอนที่รู้ทันมันไม่พอดีตอนนั้นแหละมันพอดีละนะอันตัวที่รู้ทันนะรู้ทันจนทั้งในการปฏิบัตินะโดยเฉพาะวิธีแบบหลวงพ่อเทียนนะหลวงพ่อเทียนเอง เพราะคำเขียนเองถ้าจะพูดบ่อยนะคาว่าดูซื่ อ, อนะนี่คือมันเหมือนมาว่ามองมองครูบาอาจารย์ท่านพูดเหมือนเป็นให้เป็นคล้ายเป็นหลักเป็นมาตรฐานให้เราฝึกไปเรื่อยให้ทั้งมันซื่อที่สุดใจิตใจมันซื่อมันบริสุทธิ์นะมันไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้ปรุงเนะ คือแต่ก่อนบางทีเรารู้แล้วก็ไม่ชอบรู้แล้วก็ชอบนะบางทีมันกลายเป็นมันรู้แบบไม่ซื่อนะรู้วไม่อยากคิดแต่นะก็จะมีไม่ชอบเลยโกรธละอา่าไม่น่าโดนนีกเลยนะ่ะหรือบางทีพอมันสงบมันสุกมันเบาชอบนะอันนี้คือความไม่ซื่อซึ่ง ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ให้รู้ซื่อเพื่ อ, อให้เรารู้ตัวว่าเนี่ยมันไม่ซื่อเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะได้ไม่ดงติดนะความชอบความไม่ชอบนะนานเนนนะพราะจริงในสติปัฏฐานวสุมหาสติปัฏฐานวเรารู้กายรู้เวทนาดูจิตรู้ธรรมนะเพื่อถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เ<ม>นี่ยคือ ความพอใจความไม่พอใจก็คือความไม่ซื่อเนี่ยแหละชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้นะติดสุขติดทุกข์เนี่ยคือเพื่อถอนความพอใจความไม่พอใจก็คือเพื่อรู้ทันเวลาจิตมันไม่ซื่อแล้วจะไปจิตก็จะซื่อข้อปิสุทธิ์นะเป็นอุเบกขาอุเบกขาคือเป็นกลางแต่ไม่ใช่เป็นกลาโดยการที่พยายามจะนิ่ง พยายามที่จะเฉยพยายามที่จะไม่สนใจนะไอ้คนนั้นมันมีความพยายามการมีความพยายามอยู่นะมันไม่ซื่อนะเพราะยังมีการเจือนะเจือความจงใจเข้าไปเนาะอยากพยายามจะให้มันนิ่งพยายามจะให้มันเฉยพยายามจะให้มันไม่ไปรับรู้ไม่เป็นสนใจนะแต่ต้องเห็นมันความไม่ซื่อนี่แหละ เรื่อยๆจะทั้งมันมันเป็นการรู้เฉยๆรู้แบบเป็นกลางนะไม่ได้ติดสุขไม่ได้ติดทุกข์อันนี้คือจะเรียกว่าเป็นเป็นหลักให้เราได้ค่อยๆฝึกไปเนาะมันอาจจะไม่ซื่อทั้งหมดนะมีเจือในความชอบไม่ชอบบ้างให้ค่อยๆรู้ทันมันนะค่อยๆรู้ทันไปเรื่อยๆนะมันก็จะค่อยๆนะบริสุทธิ์มากขึ้นเนะ น, นี่ยคือ สิ่งทีุู่้เจ้าท่านสอนว่าการชำระจิตให้บริสุทธิ์นะเพราะมันไม่บริสุทธิ์เพราะมันหลงเพราะมันอยากเพราะมันปรุงแต่งนี่นแหละชำระจิตให้บริสุทธิ์ก็คือเห็นความหลงเห็นความอปรุงแต่งเห็นความอยากนะชาระชำระมันขัดเก่าอนะเหมือนเราขัดขัดฟอตรูปนะสมมติต ร, ร, รูปหินตันแกะ รั้นแรกก็ต้องแกะแบบหยาบๆเป็นโคมงเป็นนะเป็นรูปทรงก่อนเนาะแต่ค่อยๆมามาแต่งมาขัดนะจนทั้งผิวเนียนเนาะนี่นคือจิตใจของเราต้กเหมือนกันบางทีเรารู้นะรู้แบบหยาบๆรู้ไปเรื่อยๆก่อนนะค่อยๆเห็นความจมใจค่อยๆเห็นความคาดหวังค่อยๆเห็นความหลงต่างๆเนี่ยมันะก็จะค่อยๆขัดจิต บริสุดธะจิตบริสุดธิะือจิตปกตินะปกติหรือจิตที่ว่างจากการปรุงแต่งแต่อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่แบบแปลว่าว่างไม่มีอะไรเลยไม่อะไรไม่ใช่แบบนั้นนะแต่มันว่างจากการปรุงแต่งแต่มันรู้มันรู้ตัวอยู่นะมันรู้ตัวแต่ไม่ได้ไปปรุงด้วยความชอบความไม่ชอบนี่คือหมายว่า สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยถ้าเราเข้าใจถ้าเราจําไว้เป็นหลักในการปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆทําเอานะค่อยๆฝึกหัดไปก็จะเราจะไม่หลงคิดผิดทางนะแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยมีแต่วความไม่ซื่อมีแต่วความอยากมีแต่วความบังคับมีแต่วความจัดการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะมันจะกลายเป็นมันจะกล า, ายเป็นเรา กลายเป็นเราเก่งเราแน่เราจัดการเราบังคับเราทำให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เนาะเราทาให้มันสุปก็ได้เราทําให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้นะอันนี้มันีดีจัดการให้มันดีเนะี่ยมันแต่จริงทภาวะที่รู้เฉยๆเนะ่ยมันเหมือนอืมเป็นเรื่องของมันเลยอะไรแบบเป็นเรื่องของมันเนะ แค่รู้เฉยๆเนี่ยมันจะเรียกว่าเข้าเข้าใจคําว่าตาตาเนาะมันเป็นเช่นนั้นเองรูปก็เป็นเช่นนั้นเองนามก็เป็นเช่นนั้นเองไม่ได้ทําอะไรเลยแค่พอเข้าใจตรเนี้ยมันยอมรับได้อืมมันก็เป็นธรรมะที่จะว่าขั้นสูงก็สูงนะแต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกขัด ในทำนองตรงนี้ไปเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้ไว้ไว้ก่อนเน่เราก็จะปฏิบัติแบบไม่รู้ทิศทางในการปฏิบัติเนาะไม่รู้ทิศทางในการปฏิบัติซึงเรารู้ทิศรู้ทางไว้ก่อนนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปทุกๆวันเนาะทำทุกๆขณะเนาะพยายามฝึกทานข้าวเข้าห้องน้ำนะ่ะนั่งพักผ่อน หรือบางครั้งพูดคุยก็กลับมาดูกายโดยใจของเราบ่อยบ่อยเนาะเป็นตามป ฏ, ฏิบัติธรรมทั้งหมดออพอสมควรแเรารับประทานอาหารกันเนาะ